แต่มันงาน่ายองหลับโดยเฉพาะคือว่ามันงาน่ายแต่เฉพาะเจ้าที่ติดตามมาเน่อเท่านั้นมีหลายหนา้าหลายตาห ล, า ย, ลายขันหลงงายขันแต่ไมหลวมง่ายเขาจะมาดูเรื่องล่าสัตว์เนื่อรับานวานี่การจะ่ที่บับ ยางไรลมขอวัดขัดต่อายรายใจเหยียบเหยียบเรื่อยเวลาหมุนไปเรื่อยๆคีร่าจะเอ า, า, าความาดีออกปากปากหาเงินความดีขาดเงี้ความดีมื่อะต้านตัวนี่จะช่วยชวยเลี้ยงแหลกไมย่ยางไหลก็จะปะากปากในท้องถิ่นนัน ตาในหูในใจตองใส่โดยดันพวกเท่าถึงอากาศวลาตาตาดเสียนกันได้ใส่ละล่างช่างวอับผู้ไม่วันนีู้่้นี้หมู อ, อื่นจนใสตาจนเป็นละเม อ, อา่างลหลให้สิล่างไหลอมากวดูว่าต้องเท่าเท่าจึงจะอยูตาสั้นนักตาจางวัด ต่างวด่าต่างูาอาจารย์ตาแต่พวกข้าหรือพรพุทเจ้าอเดียวกันหรือระธรรมีนั่งหอเดียวกันเหนือหนันการเสียหายรตาายได้ใจเหนือข้าไปยิ่งแต่ตกแต่เที่ยงถึงตัน้วควรระว่างทั้งว่างดอยู่งในเหนือเดี๋ยวนี้ตาก็คนแล้วเมื่อได้หม่า่ายตายก่อนว่า เราวางรักษาจิตญาณว่างไรว่าทางสายทางล่าวรระว่างยางไหลควริบัติยงไหลทางไจ่าทางเล่าควรถึงวัรกษาไลาจายังไหลให้รว่างวนไตัวน้อยเสียเทื่องตัวนยตัวเสียจึใสกันมัน้ดขันการเสียเฮเกิดจึงจากใาไล่จ่าจึงควเงา หากผ้จิสู่ตาไม่เนืน่นเป็นผู้จิดไม่ตั้งว่านระว่างเรื่องสายร่ายจายเรื่อยเรื่องใจข้าน่น่มต้องตายถึกเพรเหตดใดเพราะจีนทางกายราาา่าจ่าต้องรักษาบมตัสวนใจจึงจะเป็นสมาี่ปัญญาม่องหาบมเห็นยิ่งใจเต็ามาหน้เกิดนั่นวันนี้จึงไขอโอกาสไปซุ่มเป็นจิสู่เพืจะได้รักเปลี่ยน ขั้วเปี่ยนซุ้มนะฮะโมาจารี่เดียวกันตลอดซุู้เล็กเียกน้อยีมาอาศัยผู้บาอาศยไม่ว่าไม่ว่ารักษาศีลญาไม่หรือยายาหัวยึดยแต่อยกยอกกันถพ้น้องตายแพน้องว่าจ่กพอเข้าเข้ามาวอดเลมึงม่หยอกกันวอดเมึงม่พูดเลยเข้ามาเขี่อนประจิตบัดใจไรจ่าของเข้าพอเนือจิตยาลาะ ลูกเต่าเข้มาก็หวังไ้จะน่าคึกคับรัดสายไล่จ่าของลูกเต่าแนี่ซ้อนเวยขันง่าหนาเดินหนาง่ายหนาดูนีห้องเขอมาหาห่คูบาอาจารย์บริการเชียนไว้ลวงแม่แังที่อสิบหกเชนหรือละหวมไส่แสดงที่ไม่ยากสายไล่จ่าต่างๆแต่ถ้าเช่นคนละเมืองเห็น เมื่อเขาเย็นเขาเขาแบบว่าวาวจูจตามมาเล่นหรือเดกวัดเดกว่ามีวุลยาอะไรยาบมางง่ามหง่ามปบสมคูบักหนับปะิบักบุกบึกครับดูกดุจแผลบกบกครับตายได้จากทองนพอเป็นคนดีมีทิ้นข้ามดุกเต่าไม่อ้อมอก้องตนจะเป็นคนดีพรากเต่าอย่าเหนรับยลาน เนีสอนมาจากพอจากเนี่ยคอเนี่ยมีก่งดยางอะไรยากยางไรนักในท่านไรจะต้องสอนลูกเต่ายางนั่นเส้นคอเนี่ยเป็นคาราเตตานสอนลูกเต่าใ้ท่านทานแน่นทุกตาานรักต้นล่างเสียแฮท่านเป็นภารกเตตานกอตปพอเนี่ยเป็นท่าหายใงหน้าจะเนี <Tell> ่ยสอนลูกเต่าในทุกจักการานแน่น ทางใคทางนั่นทางต่อทีก่อนต่อต่ำต่างๆมีพวกเข้าเจ้าโลกเขาถือว่าเป็นผักปฏิบัติเนืลูกลูกแแหะนี่เนนหรือเด็กแม่วัดนี่จริยามาเลยยากบอดง่ยนี่ตานเอกเลยเชือหนี่ตานเป็นนินธองต่างๆก็ไรชื่อว่าพวกเขาถือเป็นแม่หน้าตาหรือเป็นผู้บ่าอาจารของเขา ละรวมพอเอาใจใส่เนี่ยสอนตัวของตัวเองเนแบบนั้นบ ม, มีท่านมีดีไหมพอมีสวดบบนีเดบนพอมีฟังนี่สยดีใ้เนี่ยนั่งพักสอนหด็กพอ้นั้นจะช่วปฏิบัติทางกาย ท, าทาั้งวจากของนักดลบลุกดุนลุแขะดุเจียแขะตัวทำนองนั้นเอาสิดาวสู ร, รูมิน่นถึงพวกเท่าแงสะเทพวกเท่าเองแ่บางนผูด้ดียูสวดแต่สวดยางได เาบอกเนี่ยยเสียใจกันไดยแต่ผููบ่าวอาจารย์คู่รักคู่นี้ถึงเป็นถึงรักถือของข้าวถึงข้าวบอกข้าจ่าข้าวแ่ข้าวว่าเป็นผู่เป็นอาจารย์ของข้าวคนรักษามาแดดไปนอกจากนั้นเขาเปิดเจ้าท่นดีดูเสือ่างเลยคู่เป็นบริวรสากสุดายนอนท่านดีได้มากแต่ข้าวขานวลข้าวเมื่อถึงข้าอยากข้านอยากพูดอยากจุดย่างเลยสุดตาย ขาหอบตะเียบเัเหนียเราฤกษ์ถึงพระพุทธเจ้าเึ้งแต่ถ้ำวันเพื่อนแม่ก็ีนี่จำละอายภายในใจของข้าบ่กล้าไปว่บ่กล้าไปท้าบ่กล้าไปจุดเราจิ้นจีดจีดขาดนั่นเพราะพระพุทธเจ้าก็ได้ถึงขาอาศัยถ่ำแม่เขีนจึ้ได้ว่าถืออยู่ถืออาศัยขงหตามบริโภ กบสัตนต์ังไสตลอดเหนึ่งของผมอาศัยพระพุทธเจ้าประกาัวข้องเล่าซูนี่คิลดขนาดนี้นีตต่ตายได้จาใส่เขก็ไปปุ๊บโล่ร่างขนาดนี้แต่มีเส้นใยยืดหยุ่นเดือดใส่คาห์ห์ัวข้องเล่าประกาศกาศณะอื่นหากบนเหยื่อไสในถ้ำพระพุทธเจ้าแล้วแล้วเท่านั้นท้าสซูนี่การกบสันต์สันตนึ่งกันถือนอกจากที่เตาแสวงแห มาเด็วเป็นตการสุดาเหนือห้าและเลืเล็กถึงถ้าพุทธายเจ้ายังนั่นให้จงข่ากันใหรบทำาห้รบยิ่ง่ลยรักษากายรักษาวาจารักษาใจท้็งสุขตามข้ามตาเนี่ยจะกกาทำมันเพื่อนบ่ายาไอซ์เลือดกันเขอะให้นา่ิที่นั่นแหยะโดยน่อเดี๋ยวนี้พวกนัาปฏิบัติห้ามอย่บโต๊ใส่ไฟดำ เล้อจะสู่จะเป็นนักสะที่บัดการสะที่บัดกินจังเป็นยางเลบคอยขั้นึขั้นนวดวกสิตยตัวค้องตัวแต่เหมือค่ามแต่ว่าเป็นสมาฐานอย่างก็ขามก็ชี้วาเราเป็นข้าสะที่บัดจะการปฏิบัตกินจังสะที่บัอยางเลย้ามีหน้าบางขันบางข้นกบเคยชิดามะบางขันบางข้นกบบกเคยเคยชิดจามะ แมื่อเติมยางแล้นพวกเข้าจะหลุมหลุมดอนดอนูงสูงตามตามกระชือกริบัดบ่ใครสมอนเนื้อสั่นึ่งเติไปยางหนึ่งคงเส้นไปยางหนึ่งยางไรจะดีข้างไรสจะเติมเตะเได้ใจใจฟ้องสิใครบริสุดใครใสงอใครแยกเย็นใครเติมพเปินเนื่นได้ใครกระบัดตามหลักอันนั้นยากกระชือบัด แบบแบดเ่ยไปที่บัตแบดเอาทีเหลือกนั่แหละเอาตัญหานั่มสายนั่มใจ่ายกจยางไริตผูกข้ามน้ายาเนมันเพจะให้กูดหน้าเป็นพ่ออยาปูดยางไรอย่าท้ามยางไรข้าไปตามทำเพื่อใจควนยางนั้นสิตกดาวยุดวายุประกาศตัวยุดมาเป็นผจิตทงพรพุทธจ รืดเหยียนเสาของั้นนีหน้ารืดเผืจนสามัก่อต่างใจจิยาเมลย่าด้วยการระข้ามของเขาดุใจของเขาบอกเขาหลังไาวของข่ามีหน้าสามัญะเหลือตเพื่อสามัญะข้างศีทางข้ามทางทีางใจคนนี่เดือหนุ่จะเลยเตือนไหวน้อยข้ากันรักษาว่างสังคนเขาแม่นึงใครจะมากันรเสน สองเขาจะได้งินข้าบัวเขาไปห้าห้าบัวข้าไปห้าเขาเป็นท่านนองหนึ่าดีเขากอเเราเสกยนย่อาเศรปฏิบัตรผ่วงหนึ่งลูุ่กนี้ว่ำสส่งอสเนียตั้งแนวตั้งตาตุ๊ดเศรษบัตรสายใจใจตามท่านดูหนึ่นาเรือใส่าเข้าลบนบูชาผมก็ว่าบวชขมาสรายทเดือดกันหาบวชขามาตั้งแนวตั้งตาตพ๊ดเศบัตินี่เหนือเขาเห็นดีเขาจะฟอง นั่งไปสนอเสวนกระตพุ่นคว่ดีขรงเร่นั่งสะานี่ต่างตาเกิดความเสื่อมความเดือดใามพ่าใจความยินดีหาหาห้าปีเพื่อตาลาล่านเพื่ไปตามอำนาจอำนาจใจเพืไปตามที่เหลือกันแข่บ่เดขั้นนนนึ่งขั้นนวนชิงว่ากะตากระดาเช่อกระดนยางไหลผู้บาดจานเชื่อกระดีด้านยางไหลแม่สอนยางไหเลาข้ามไปตามอำนาจใจขรึ่งเร น้วบ่เลยชุดตามันจะจะโทษจะเชื่อมถึงปากแหน่ถึงร่องร่องมูของขา น, น่ะเนื้อเขามาเห็นเขาทุเรี ย, าารา ย, ยาา น, นอะไรอยากยางไรกระปนานาหายวนไปายว่ า, าใจใจผีพูดไปข้านไปเมื่อถูกต้องตามลเัเกลียนของทานน้ามีไมประเดี๋ยวคว่าเล่าหนิเป็นต า, าส า, าอาใส่สากแหน่เกาะจิ้มสากกันนะข่านเหตุเชียมเสีย ถึงผูบาอาจารย์ถึบงขนาดเศษหนเข้ควนระวงเขควัหลักษาผู้จิคนยึดดีนีจะจตปัญญาของปูบาอาจารย์เข้าเศษชู่บูซ่าคนทั้งหลายมัวายใต่ใจเนือต่างจิตต่างข้าลงไหลเข้ามามูซ่าตาวั่ได้เห็นใจเย็นยึดเย็นใจได้ยินเหนือฟังกรลุกึมสืบเดือบาน ไายจินไาย ใ, ใจพูด น, ในใายใ่นี่จะขออัดขอข้ามพูด น, ในใายใจนี่จะขอหนาจิตหนาเหน็ดหนานไปเพ่หนานปฏิบัตขขิต่างสอบคุณงามขานดีเฉลมเกียนแน่เพรต้องประากาศเบียกรองให้คนแต่ข้าคนมาเีืยดไส่เขากำลังไหลมาอึเพราะข้าดีเพราะคนเป็นแม่เด็กซ้ำข้ามึงดูดยึดใจเขาผู้ทีหมือบุญมือกุญแจมือคุณงามข้ามดีให้ลางไหลเขามาซ่อม มาประบทติปฏิบัติาตหนุ่ผู้บาอาจารย์พู้ศรีด้วยผู้ง่ายขั้นดียางนั้นเพินปฏิบัติยางไดเขาตั้งนาตงตาปฏิบัติยางใดพ้นจงบ่สนใจคนจงบ่ยินดีแต่ที่นที่จได้แมช่วย็ละนแต่ทำบันเทิงค่องเคล่ให้เป็นยันยางดูดดียางผู้บาอาจารย์บ่ยานั้นวกเข้าแต่ากันเสียแขกลมจกเอาะพวกเขา แต่มาบวชด้ทรานในวินัยของพระพุทธเจ้ารือผู้บาอาจารย์ที่เนไปเกดดีปฏิบัติชอบเป็นผู้บาอาจารย์ตั้งขันตั้งข้นเป็นแบบนั่นว่าเยื่นดีเด่นใสมาบวชอุชิต่อพระเทวทัพหรือผู้บาอาจารย์ที่ไปกปฏิบัติเชื้อหาเมื่อเป็นยางนั่นตัวเองแต่ถาตัวเองหาย้อหายมันโมจงควนยางอยู่โมงควนถี่จะเป็นม่มันต่อไปาเห้อ สอนใจค่อเข้างระวัง no จ okay. ังหวนเวลานึ่เป็นเวลาสาคัญขึしし้นก้นส so well, ั่นซั่สูงกันดูสันเรื่องสุดเผ่ามาวัดมาว่าม่หาพวกเฮาคอยเด็กบอกเขาออกใส่ราศีนี้รนีนะในวันนันันนึ่เขาได้กหน่งเขากป็นสีมาเบิ้มาเบิ้วัดบันั้นมาบิสิจีนมาบิ้ซาลาบงผู้ดีิงยือแหงเบิขาเบงเนื่อเป็นของําคัญ ผู้ดีหารบาเป็ข้อสคัญเพราะเป็นอยากทีเขาสนใจผู้ดีวิหารเกิดนได้แต่เนื่องจากการเหการณ์ของชรวะจักโยกวันนั้ของใครแจกใคาสงใครแจกใคาส่งตัดไ่ยึดดินบ่ได้เขาเหตุจากดียึดสาคัญที่จุดให้จะมาแบ่งนงหบวชที่พวกเขานี่แหละยืนยามมาอยากของเขาเป็นอย่างไรมีคุณความดีหรือไม่น่าเรียนใจหรืน่ะ เิสเตรนท่าจะมาบิเหนเข้ามาบิ้ยางนั่นา้าบ่เตืยนกันไว้บ่สอนกันไว้ใเหนือเวล่าคนยังบอทำน้าร่วมกันแตจะท่ากันเหตัวเพิ่นตัวเยินควนมากใช้หูใ้ตาแตจะเิดเปิเตือนมองหนุนมองหนุพูดข่านสาจิตยาเมลตีเอกกระเดิดเชื่อห้าใชีหนผู้บาอาจารย์ใชตากันาบผสมกันตะนาผู้รักษาควาเสด นเสียเ่ยวนั่นจะเหนยเกลี้ยงด้วยข้าวกันระว่างชังว้อทางสายท้งว่าจ่าทา้งใส่ของตนต่างคนข้ากันระว่างชังบนตามทำสอนของมาพุทยเจ้าตามทนตามีได้พวกข้าวึ่งอยู่ตางังหวัดต่างว่าต่างกินตางานตายบ้าตางสองต่างจังหวัดต่างตาบลต่างคามงามของนักปฏิบัต เหนือละว้างรักษางามผูง้งานตาเปือนเลือกตาตาศาสนาไปในตัววัตถุในสินธนรมาทิพย์ว่องโหว่พอจะให้ตุผลตัวดีมีศีนขั่มล้างล้างสังวอมคั่มตัวสารามกต่างๆยาไปแต่สอไปแก่คั่าไปฝูดไปจิตผู้ใดมันล้างรักษาจิตของฝนอย่างนั้นผู้นั้นจนคั่มจะเลื่อนยตัวของตัวแล้วแก้ตาศาสนา แต่ถ้าส้นพ ah ้นแล้วเมื่อตลอดเพ่งเกิดท่าเจ้าบูชาเรียนขายดึงดูอย่างหลัถ้าตาราอย่างคนต้นใจจะต้องไหลมาขอความดีหนูในจุดใจใจดงดูดเามาพรต้องไปหาหาขายหนูตานันบาหนน้าต่งผู้ดีหน้า่ง้าล่างพราลอกหหนูหนักมากของผู้บาาจัง แต่ทาบอเทนแม่พายยางแ่างเสียหาตามมาถาม น, นเงี้ยยิ่งกว่าขอวัดแต่จีดั เ, เงี้ยยิ่งกว่าทาอยู่แม่ด้ต๊ะายในท่าเสียายแค่แต่ยิ่งแคที่จะไรแม่อย่างเราหนีแนะไดงเลยมาพูดบอนั่นถามลาะกละคองมูคองธนายานใดแม่ลาด้วยตัวสว อยากใครร่ำใครร่วงอยากให้เลี ย, ย, ย, ยบใครดีตัวหนาๆกันหากมันเป็นไข่ดีุดยาเสียเอาคู่บาอาจารย์เอาค่าเอาใจไปนักขายจ่ายไส่คือถ้าเราหวัดอากเาะพอสมควรยังหยุดนำมาทานเข้าผู่บาอาจารย์ใช้ข้าะเจ้ปฏิจารณาตั้งนาตั้ง้ง า, า จ, าจะพิจารณาจ่ายได้จ่ายเดิมจนกลมภาวนารักษาดื่มยาไม่ยาจึงใดจีเป็นไข้อันตร า, ายพอขอวัดฏิบัติ ทำกันรักษานิวัดประจันตัวคิ้รักษาบริสุทธิ์ฟุตฟองยุดใจประเทสประตุบัดชอนตะลอดางไหลเวีนได้ทำความเพี้นอนเกลาาเี่ยเข่าลืดตันแถลเื่อสะลัดมะราวชิชิบ่อนันแบบหอบหนักหอบหนี่ปห้าสี่ห้าใช้ห้าใจ นั่นเป็นเรื่บบอง้าราว่าหยิ่นอบอกครับเรื่องนี้เลยใาเรื่องเราบอกวันยางยื่วันผิดเป็นผิดปฏิบัติานี้ขอบหนี้สุดเราจะเชื้อซื้อแหวนของตำ ม, มทหารเนี่นเยเชื้อตัวของตัวออีกเชื้อตัวจิงว่องขนน่ะเราว่างรักษาสัวของห้างเขาดีเศษเสูอบูซ่าผู้บางอาจารย์เศษเสูอบูซาภาษาจีนเนาะ หากผ้ได้ตั้งาต่างตาตองพิจารณาดบตามรักข่ำดีหู้าเสียงจังระวางรักษาจิใจให้จุดไปในทางตัววดเสียงอย่างไรโดยเรื่องยาเหิันจุดไปน่นเสียสามเสียเวลามันจะวาภาวนแต่แตงละลางด้วยอุบายวีใดจิตใจใค่ได้รับความแตงละเกิดหยุดข่ำกันโรกไตแบบจิตกันโรกไปตั้งไต กระเกระตุ้บาดย่างเลยยึดใจถือเชื่อหลุ่มหลงงองงายยึดใจถือเชองงเงาเตาตุนบเกิดกระต้ัญญากรตุ้นเกะตุ้ัาจิยึดใจถือเชื่มือหรนะสร้างโขดบกเกิดค่อรูคว่นตลาดยึดใจที่เส่สุขารล้ำคาจึเวลาคว่ำสงบสงบข็งใจิตนใจสมบูรณ์ใจของบุคคลถือใจงอเาเตาตุนเช วอดุษยวอดีม่าจะเตาเค่เวลาข้าทช่วงว้อนจากดุษอากใจแ้่เมื่อเตาพุ่งปที่บัรตามท่ามตามดีนั่งตั้งหน้าตั้งตารักษาทั้งว้านจริงจังนอนุสงเล่าสงต้ามสงัดสงัดลางงัดดับทื่เหลือเป็นยางไหลเข้าใจคัดเก่บรวนไสข้อใจื่วนไล่ใดหลาจักระลังไข่หนอว่าตเชี่ยวขอลงไหลมอี ข้ามดีนู่นแน่ตัวดึงดูดเข้ามาเข้าว่ตนยาง่การปฏิบัติเขาพวกเข้าช่ววันแฝงโดยเงินโดยใส้แฝงฝนทุกแฝงทุกฝนใส่ระให้ระวางกลางวันเข้าจนฟูน้าของคาราบาจ่าโจบบอลบอลคาราาจ่าดึงจมูกของเข้าใสู่งดัขอเข้าใสเข้าประทศปฏิบัติตามข้ามดีแน่ทหารนเหยีมด่นฝนได้รับความุกจากฝนขอตนยางไหลเข้ามืหนาที่ ถึงแม่สอนเขาเรื่องไรที่มันจิดเข้าไปเสียซั่งเหมือนเหมีผลปูดกันุ่ม้าววเบลมยาน่นจนไปอี๋ล่มาแต่ถ้ากันระวางร่างษาดวงเราศิยามารยาจเป็นของําคัญเกี่ยงกาบตางจิดตางใจแต่ที่แที่ิบเป็นของสำคัญสาหรับตัวของเราขั้นเราในนิ้วขาในนิ้วนี้นในนจิตใจ เป็นขาดเป็นเจ่าแล้ะนั้นคือดาลาบกัจจะหน้าหมากาตายของให้ใส่ไม่เป็นต้นแหงติดอ่าใจเของเขาให้นจ่ายทุบด่างให้ทุ้นสนใจให้ทุกคนไ่หนาต่างๆภาวนาต่อเทศอดตีบัดเนื่อปวกเข้าตงหนาต่างตาประเทศอดตีบัดเส้นฝนใส่จัดข้อมใส่เงาะใ่เงาะขอมละข้อมถอนข้อคืดเหลต่จากขับเปียนเป็นแจงดีเย แม่จะได้เป็นาเจ้าจัตประผัดแปว่าเป็นของอัจจันประหาดมีเศษยิ่งกว่าข้ามคือเราเห็นเราเห็นเมื่อมันเป็นยางเ่ยข้ามอัจจัยขกายืนดีข้มเหลื่งใสในท้ามหรือในข้ามสอนต้องเอาเจ้าผอดบกินพร้อมบกินหมอบตายถวายตัวนผู้ได้ดีดาสั่วอยางไหบ่าดยเอียงไต่ต่างเขาสหน้าหายรอกกัยางไหลบกนิ่าตันยืว เม่อยดจข้ามจยึดได้เพราะว่าพุทธเจ้าใส่พุทธชุ่ยึดตัดชุดแต่ที่บาดยืนจับพุทธโเนฝนแต่จากขาดเปลี่ยนยางนี่ถก็เชื่อมั่นพุทธุดได้แต่ก้นที่ละแหละเลี้ยวไหลตัดชุดพ่อเสียบ่อได้พ่อชื่อว่าตั้งใจผาต่้งใจเนื่องแต่ิดใจบ่เห็นบ่อเแิ้ว้ขอว่าแต่ที่บัดเียงไห ความนี้กอนนี้ดีเดนสายาเบยากครับร่นเวลาที่่านใส่านไสเปาๆพราได้ผลได้ประโยชน์อันใดจากการเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานอกจากจะเพิ่มที่เหลือตันแหงน่าจิติบเท่านั้นพอกินเหล่าน้อยพอขนใจไน้ตาต่อพูดแต่ที่ดัดพอขนใจไน้ตารเดินระผมภาวนาที่เหลือตันแหงตัวยิ่งเท่าที่ข่วนสิเพราะว่าดยใส่ ก้นล่างส่วนใหญเหงเอะเงือเนวชุดไปปุ้งใจอยู่ในวัดไม่ว่าไรก็ได้าวครับข่วงมือมดใสถานที่ต่างๆแล้วเป็นขักเนี่ยผัพอข่าพอขายหาตั้งแค่กันไล่ไล่ได้ควรคิดใจถีอเสี่ยงเสียไปอยางไงวด็กท่านนึ่งท่านนงวเป็นยังไ่ในเสียวเ่าขายู้บาอาจารย์ขายสาส์นแล้ว ว่าเป็นผ่าเป็นเนื수수่อ่แนวศาสนวหลว่าแนวกัจจะบูชาเขาควบรักษาห้าสืเป็นผ่าเป็นเนื่เป็นผู้ชิดมีูมีอาจารย์ควเราวะร่างสังวัตควบรักษาเวล่าวัตเรื่องจท่านใสไใส่ท่านขั้นดีแกสายแก่ใจของเ้าวห้าวไปผูกไปคู่ใจคิดไปึกอันอื่นชิดได้แ่สีหน้รบอดี้ซัมฟุตเท่าทําโม่ช้างโ้งมากพิจารณาั้างช้างหลาใจให้มันเกิดขวานเบือหน่ายท้ายกำลัง บอยย่อมที่จะได้แน่โอยปล่อยไปตามจี่เลดน้อยไปตามกันแฉเป็ียนยางหนอยบ่มีรั้นมีเด้อร่างขั้นสงบของจีบจีบจีบพอเข้ากับจีดจุดข้างปฏิบัติจีดห้ายใส่ท่ากัน ว, ว่างว่นเราว่างเนี่ยอย่าเสื่นใจในว่า น, นี่พอเป็นโอกาสดีเข้าดีเด้มีขูก่อคน ต่างทีมต่างฐานต่างบ้านต่างส่องต้างพูดดีนี่เสรต่างๆสีลางไหลของแวัดม้ว่าของเข้าเข้าบัวังวันระว่างฆาการเผดกันเช่อมากันเอิกเเ่อฆากันปลอยปาลาเห่ยทดีหนอยเป็นข้างเสียแหงเสียวัดเสียว่าเสผู้บาดอาจากเสียตัวข้องตัวอีกควรแต่งฆ่ากันเราว่างตั้งวันถูกขันถูกข้นใสอยาฆ่ากันปลอยไปตามกันญ่ารมณ์ค่ายนอก กวนจิตปวดจิตใจกวจเออะเลยเชให้ครละเล็ึผู้บาอาจารย์ท่านสอนของมาเจยเลยลดึกเิดของเราว่าเป็นแรรมน่ะเป็นเดชวัตเป็นเนื่นในวัดเป็นพระในวัดบ่มนพวกคาราวาดจากโยบจีตบมีขอบมีเถดเวลอเราละลึกลึกได้ยางไงทำบังง้วของข้าวกวนจิตหวังจาตใวนจท่านจิตดตางๆเ้าจิตท่าน เหนียตัวใหญ่เยเวลานีเล่าอยู่ในวัดเลยว่าเป็นเถิด้องสมณะจุรนยาอาสารยางิบกวนท่ามยางิบดเตือนตัวจุดเล่ว่างไว้บ่ยางินันกี่เสียหายเหาะขณะค้องเข่าเป็นขณะแต่บัสขณะค้องเข่าว่งคลองเขาเป็นวงจุดแต่าต้อนสนใจถือว่าเป็นภูแตรจีบัสแต่จีบัสชอบเขาเหลี่ยมสเขายิ่ดีบ่ไหวแต่เช่แต่ชอ บรดเจ็บไข้ต้างบาดเจ็ข้ า, ขามายิ่งดีเดือนใส่ดูบ้างเป็นภูปที่บัดถูกจ้องตานทำดีไม่เมื่อเข้ามาเห็นประเจเจอเนื้เจ้าตาในบัดใ น, นล่างเชื่องค้นเหยวกอเสียหายเลึทิงมูทิ้ขงขนาตาตัวเดียว น, น, นอครับของคอนละเวลาว่างรักษาพิพิยาเมาลยาชวนหนีเอาเวลาว่างรักษาสมบัติฟองเฮา ตั้งแต่หมดไปเสียไปเนี่ยสมบัติเสียไปบ่มีอันใดก็เลยชื่อวา่าพ้นจนสมบัติข้องเฮาถือเป็นนกบวชของเชื่อศีลพม่าชื่อปัญญาผูุ้ายเจ่ามอกหายศีลก็คือการาาาราักษาตายรักษาวหวารพม่าชืกข่ามจิตข้ามใจให้ น, กนักแนงยาววอกแวกโยนเอีย ง, ยงให้ น, กนักแนงดนหลักท่ายู่ใน กัญญากัดคอแหน้าฮะไล่ด่ า, ลายล่เสียจอดจองมั่หลูได้เรื่องต่างๆสื่อกัรญาขันตนสื่ขันตนสมาที่ขันตนควรขันซู้งเกินไปมันหลอกขอบพ่อรูจะพร้องได้ขันตามนี่เพราะต้ อ, องศึกษาเพราต้องปฏิบัติให้เปลี่นใจใก็ตอน ข้าศ all ึกษาขันตนจไปเอามากเอาฝนเอาความดีที่เสด็จมาได้เขาคุนบันไดข้ตงเยือดขันตนเชื่อกรเพืไปถึงขันทุกยอดเขียนจนใหม่ด้วยกันพ้าวมงันจิตโดดถึงก้าล่านู้สึกตึ้งสูงใหญที่เดือดข้า่อประเพณไปที่บัานขันตนเช่อกอยุตไดีขาบวชเพาแม่บุญคุได้ดดใจกันบวชดอกบวชเดือความเสื่อความเรียนใจบวชเด ใจนี่ครับาได้บวชขอมา้ายังองบอกคำนึงคานวลถึงานสอนของพระพุทธเจ้าบอกคนึงคานวลถึงสี่งทนธ์นล้วสีปฏิบัติอยกใจข้างล่างเราบอกว่านขาม้าบวชเพอเที่ยนมูขนาดสอนเจ้าของยางเน่ะต่างแขนต่างคนํานเหนียบเจ้าของจำว่านเจ้าของตากนาแต่ทีนี้ว่ามีเวลาโทน่ะ ยึดดูจนใดยึดใจของเราถ่งใผู้สานลำขั้นจิตอ่านใจกท่งจิดเหนืนีการชั่ววันรักษาเราว่างและไปจัดผลในการกระทํามนเป็ท้องฝนส่วนเรานันย่นเข้ามาย่อเข้ามาพดตัวเข้ามาใ้จุดใก้ไม่ใ้ตัวใ้ตามไปอย่งต่างๆ่พดตัวเข้ามาพดตัวเข้ามายึดใจจะต้องสัมผัสได้ข่้นเดือมันเสมอ แตาจิท่านอยู่การทุกเวล่าเนี่ยยุดพดตัวเขาแม่ชูปูรูมันปุงมันชุดเนื่ย ใ, ใดท่านทุกสารทุกสมัยึดถูกปั ญ, ญ้าลอดคาอเนี่ยมันเข่าของขังเรามันขีง่ามันให้ตาบวชเะ็นลงส่างมันติดขีดเพื่อนท่านอยู่ได้แตอยู่ได้สี่กว้างขวางก็ขีดก็ได้เพราะเพราะมีสื่อรถเนี่ยยดใจต้องเฮ้าสี่มันปุูงสารนาท่านก็พอเฮาบว รักษามปลูกมัดสติของเฮาหมดในรักษาไว้ปัญญาของเฮาประดิแง่สอนจบของควายให้งนั้นใสปควายแห่งันไป่ควายเท่าไรไหนยินใส่ัญญาคนแจใส่มาบรีเวต่ำไม่ทำความผาดความเยี่ยนคือแห่งนันตันขอมากแห่งันเดินมันยอเขอมากหายใจของเฮาหาวใจของเฮาลูเลี้ยงของเฮาใจของเฮาแต่เพื่อแต่เพ่ ตัวของเหาเหวนผลกระจัดอมันสบายเป็นขัาเป็นเนียนเป็นเฉียนเป็นขี้ได้ฮะยังจะเชิดบเป็นข้องอาใช่ัหบบข้องเป็นข้องแตกลาดอนไดควนได้มือได้ตะควนได้หัวขาเหลียงเลยเพราะว่าจะเหียงจะเอาแดงเอาดาก็ได้น่งได้เท่านั้นจัญขีุ่กแต่ชื่เรยงไก่ของเหงาไ่ของเหง้าเป็นผู้นำสายไล่กาฮ ผู้ใดนัดใรข้ามในวินัยผู้ใดนัดในในันในกในผลผู้นั้นตายว่าจะจะต้องสอดจะดงออกมามีการผาดเพรื่องมีการใช้ย่ยยางมีการกระทำบําเท่นข้าง ก, ก็เกิดกติบัติข้างดีข้างดีผู้ใดติดจิตใจว่าเป็นอย่างนั้นรักในด่านใดโลบในเย่ยงใด ยืดหย่างได้มากมันจะต้องปุ่งไปจูงดังใไปผลตัวชุดกระจายไปคนอื่นเขาเห็นเจ้าโลกเขาเห็นเดินชัดอย่างปฏิบัติโดยในขอบเขตของธรรมนี้ไหลไปตามเรื่องของโลกนั่นคือจิตใจแบบมี้หลักฐานแจนสารต่างแผ่นตางก้นที่บวชเข้ามาจะหาเชียอวันเชื้เวลานในการบวชตัวชุดปฏิบัติ เป็นเน็ตเป็นหน่วยต่างหนาต่างตารักษาเ้ารักษาเข้าบ่าเนเื่อผู้ื่นเพ่าะถ้เหาว่าเป็นถ้ำเชื่อผู้ื่นเหงาถ้ำเรท่านดีคประโยชน์มีต่างกต่บอเช่นอเกิดตอเตอนต่อเหวีนยงวิตจักขาดเสียงได้จิตไม่ใจห้องจวบเป็นเป็นแต่ถ้าใส่ละว่างังวอนยายเห็นเชื่อื่น ใจเสดเสดจข้ามสอนท้องจิตรเห็นเพงอื่นว่าเป็นอย่างอืพัดเต่าที่เดือดไเที่ยงไข่มดไปได้นอกจากการจะพิจตายว่าายใจของท้องข้ามข้ามผัก้ามเที่ยงไข่ยามท่ามตามโอวาทผิดพระพุทธเจ้าเข้ากับปปฏนบัดมากหาไปเห็นเพีงอื่นเป็นของอัศจรรย์เพีงอื่นเป็นของดีเดือดิใจของท้าบ่มีวันมีเวลาดีชีดเดือกัญหาิโต่อกตา ได้ไหลไปสู่บทหน่อยบทใหญ่สู่สู่เนี่ยสู่ลำบากเรื่อยไปควนขึ้นในแหนบสนามบ่ท่านต่างท่านสอนต้อพุดใเจ้าบ่เห็นผู้ใดไปเสดียิ่งเสดยิ้มเข้ารู้เป็นคู่เป็นอาจารย์มาเนียนน้ำไผ่ใา้ึงใจใจเขาใหอย่างหนักแต่ถ้าสระวังรักษาปิฎยามารยาทถูกอย่างก่อสายจนจนแล้วเมื่องี่โดยเขามาไปสูมกัน ในหนุ่อื่นเนี่ยต่อใส่แม่วัดเป็นพระปิตุสามเนื่อเป็นปิตุต่างมันเลยจาเสนอเป็นอนุิตของผู้บาอาจารย์เราว่างรักษาผูกด่านผูกยางยางไหนมันผิดหรือถืงามันผิดีถืสอบการฝูดจาปลาใส่ต่างคนแต่บอเป็นคนหูหนวกหูตึพูวดคอตร้มคว้นเขาตั้งกันออกยาสีเตาชงเสียงเอิเอิดอิดเอิดในหูคนอื่นมันจิจากหลัก เขาผูสอบความสต่งหนักการตาเขียนมีมคณะเวลานี่เ็นแ้พอสมควรอะดีแล้ว